กราบบูชาปรัตนตรัยขอกราบบูชาครูบาอาจารย์นับตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนขอกราบคารวะหลวงพ่อกรมพระอาจารย์สงศิลปอาจารย์โนต้ตแล้วก็ขอกราบน้ำมัสการเพื่อนสาธรรมิกทุกท่านแล้วก็ขอเจริญพรเจริญในธรรม แมีและก็ผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุกโตในช่วงนี้ <c oughs> ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พวกเราอยู่กันตามปกตินะซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ตั้งใจนะมาอยู่ศึกษาปฏิบัติ โดยเฉพาะมีทั้งคนเก่าคนใหม่คนเก่าก็คงจะรู้วิธีการในการที่จะเรียนรู้นะเรื่องของกายเรื่องของใจโดยอาศัยความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะเรียนรู้กายใจของเราส่วนคนใหม่นะก็อาจจะเพิ่งได้ยินได้ฟัง ก็บางทีก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะก็ต้องอาศัยการฟังบ่อยๆนะซึ่งก็ทั้งหลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่ได้พูดคุยได้ให้กำลังใจพวกเรานะก็คงจะมีส่วนที่ทำให้เราพอมองเห็นนะวิธีการหรือช่องทางนะที่จะเรียนรู้เรื่องของกายเรื่องของใจ วันก่อนมีพระใหม่รูปหนึ่งนะพบกับกับผมเนืยอธรรมมานะท่านก็บอกว่าท่านจะบวชอยู่เดือนหนึ่งท่านอยากจะศึกษาพระไตรปิฎกนะกับผมเนื้อธรมาบอกโอ้เดือนหนึ่งนี่พระไตรปิฎก45เล่มนี้มันคงอ่านไม่จบนะก็แนะนําว่าถ้าเราฟังหลวงพ่อเข้าใจหรือครูบาอาจารย์เข้าใจแล้วเนี่ยเราอ่าน ของจริงเลยนะไม่ต้องไปอ่านพระใจพิดกแล้วนะเพราะของจริงก็คือกายและใจเรานี่แหละพระใจพิดกเนี่ยก็ออกมาจากกายใจเรานี้เองนะจริงๆแล้วเนี่ยนะบางคนโดยเฉพาะคนที่เรียนมาทางโลกสมัยใหม่เนี่ยก็จะเข้าใจว่าต้องอ่านหนังสือให้เข้าใจเสียก่อนนะจึงไปปฏิบัตินะซึ่งตรงนั้นมันก็ถูกอยู่เหมือนกัน แต่พระไตรปิฎกเนี่ยเป็นเป็นหนังสือที่มีรายละเอียดเยอะมากนะมีเวลาเดือนเดียวเนี่ยคงจะอ่านไม่จบหรอกนะก็แนะนําไปว่าการศึกษาชีวิตของเราเนี่ยนะเราอ่านพระไตรปิฎกจากของจริงก็คือมาเรียนรู้จากกายใจของเรานี้เองซึ่งวิธีการที่วัดป่าสุขโตเนี่ยจะเป็นวิธีการที่ เป็นหลักสูตรที่สามารถทำได้ง่ายนะแล้วก็เป็นหลักสูตรที่กระชับแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะโดยเฉพาะยังยิ่งการเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวก็ดีการเดินจงกรมก็ดีนะในเป็นวิธีการที่เรียกว่ากระชับกระทัดรัดมากนะโดยหลวงพ่อเทียนเนี่ยเป็นผู้ที่นำเสนอไว้นะเมื่อ50ปีที่แล้วนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นหลักสูตรหรือเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้เลยนะไปนพระเตยปิดกเนี่ยปัญหาที่สําคัญพบก็คือภาษาเนี่ยบางทีเราอ่านแล้วก็เราไม่เข้าใจนะมันก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันและเนื้อหามันมีเยอะมากนะวันนั้นก็เลยพาท่านไปดูพระเตยปิดกฉบับที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ลานหินโค้งนะบอกถ้าจะเอาจริงจริงเนี่ยเอา เนื้อหาของพระไตรปิฎกตรงนี้ก็ได้นะอารียบุตรบัพพะกับสัมปชัญญะบัพพะเนี่ยอ่านตรงนี้แล้วเอาไปใช้ได้เลยนะแล้วก็สิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนให้พูดนะท่านจันทร์สุนทรจันโนธนะพูดให้พวกเราฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถจะไปทําได้เลยเพียงแต่แล้วเราเราฟังอาจจะยังไม่เข้าใจก็ น่าจะสอบถามพูดคุยกันได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ได้แนะนำท่านไปนะโดยเฉพาะยิ่งคนใหม่ๆเนี่ยขอให้เรามาเริ่มต้นกันตรงนี้คือความรู้หรือปัญญาเนี่ยมันอาจจะได้จากการได้ยินได้ฟังเริ่มต้นจากการได้ยินได้ฟังก่อนนะก็เรียกว่าสุตมายปัญญาเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ไปพิจารณาค่าครวญ นาะหายเหตุนะผลนะความเป็นไปได้ความเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างนี้นะเรียกว่าเป็นจินตามยปัญญาซึ่งความรู้สองระดับนี้เนี่ยก็ทำให้เราเจดจำได้นะหรือมีความเชื่อความศรัทธานในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ไม่เต็มที่นะหรือยังไม่ได้เจอความจริงยังไม่ได้สัมผัสความจริง สิ่งที่จะทำให้เกิดได้ก็คือการลงมือปฏิบัติเลยลองผิดลองถูกลงไปเลยนะก็จะเกิดประสบการณ์นะเรียกว่าภาวนามยปัญญาเพราะฉะนั้นการที่เรามาอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยมันมีรูปแบบที่ชัดเจนอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปลังเลสงสัยเลยจะถูกหรือจะผิดจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เนี่ยเราลองทำดูเลยนะจะผิดจะถูกอย่างน้อยน้อยก็เป็นประสบการณ์ นะที่เราจะได้สัมผัสและเราก็จะเป็นความรู้ที่ติดตัวเราจริงๆนะไม่ใช่เป็นความรู้ที่เราไปจดจำมาจากหนังสือจากครูบาอาจารย์นะซึ่งตรงนั้นก็อาจจะลืมเลือนได้นะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเราไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะผิดนะความผิดเนี่ยบางทีมันก็เป็นครูสอนนะคนเราเนี่ยจะทำถูกมันก็ต้องผิดมาก่อน จะรู้ก็ต้องหลงมาก่อนนี่เป็นสิ่งที่ตัวกรผมฤทธิมาเองก็ได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติทีนี้ในรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยการสร้างจังหวะ14จังหวะและก็การเดินโยงกลมเนี่ยถือว่าเป็นรูปแบบที่ง่ายและก็สามารถทำได้ทุกคนที่สามารถจะทำได้เพียงแต่ว่า เมื่อทําไปแรกๆเนี่ยมันทําซ้ําๆซักๆกมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายนะเกิดความรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขไม่ปลอดโปร่งนะมันอึดอัดนะบางครั้งก็จะเกิดความง่วงเหงาเหงานอนนะบางคนก็จะท้อไปเลยนะตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ที่บางทีเนี่ยทำให้เราท้อแท้นะหรือบางทีก็อาจจะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านี้ มันทําถูกหรือเปล่าเนี่ยมันก็ถามตัวเองเหมือนกันตัวกระปุ่มเรื่องทไมาเองก็เคยเป็นเหมือนกันนะในช่ว ง, งการฝึกนะหรือบางทีโดยเฉพาะยิ่งยิ่งคนที่เรียนหนังสือมามากอ่านหนังสือม า, มากเป็นคนช่างคิดเนี่ยก็จะมีความฟุ้งซ่านนะซึ่งไอ้ความคิดความฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็เป็นความเคยชินของเราซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยได้ดูมันไม่เคยได้สังเกตมันเพราะว่าเราอยู่ในโลกข้างนอกเนี่ยมันมีสิ่งสนใจ มากมายเราก็เลยไม่ได้กลับมาดูสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือปรากฏการณ์เหล่านี้เราก็คิดไปว่าเอ้ยสงสัยเราจะทำไม่ถูกแล้วมัง้งมันจะไม่ใช่แล้วมัง้งอะไรอย่างเนี้ยนะแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปถามครูบาอาจารย์ไม่กล้าที่จะไปถามคนที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนก็หวังว่าจะไปอ่านหนังสือและอาจจะพบเจอซึ่งบางครั้งก็เจอเหมือนกันแต่บางทีมันก็มันไม่เหมือนกับ พูดคุยนะกับครูบาอาจารย์หรือคนที่มีประสบาการณ์โดยตรงนะเพราะตรงนี้จะจะได้คำตอบที่ตรงไปตรงมานะนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่ได้จากตัวเองทีนี้เท่าที่ได้เรียนรู้หรือประสบาการณ์เนี่ยเจนว่าวิธีการเจริญสตินะด้วยการเคลื่อนไหวเนี่ยนะมันมันมันจะเริ่มต้นที่กายนะมารู้สึกตัวที่กายให้ชัดก่อน นะตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญการรู้สึกตัวที่กายที่ชัดเนี่ยนะมันก็เริ่มจากการเคลื่อนไหวของกายของมือนะหรือการเดินจงกรมอันนี้เป็นอิริยาบถ ท, ที่เราจะเห็นได้ชัดนะเอ่อเมื่อเราทําบ่อยๆทาเรื่อยๆมันจะมีความง่วงเหงาเหงานอนเข้ามาก็อย่าไปสมยอมหรือไปสมรู้ร่วมคิดกับมัน พยายามฝืนเอาหน่อยนะทนเอาหน่อยนะอย่าเพิ่งไปสยบยอมมันนะหาวิธีการแก้นะบางทีนั่งสร้างจังหวะเนี่ยมันจะง่วงหลับง่วงนอนแล้วก็อาจจะทําให้มันเร็วขึ้นนะมันจะหลับเราก็ลืมตาให้มันโตขึ้นนะสูตรลมหายหายใจเข้ายาวๆนะก็หาทางแก้มันหรื อ, อยังเดินจงกรมเนี่ยนะบางทีเดินไปข้างหน้าเดินช้าอราก็เดินเลี้ยวดูสิ ทำจะแก้ได้ไหมเดินไปข้างหน้ามันยังง่วงอยู่อเดินถอยหลังดูนะนี่ก็แก้แก้อารมณ์ที่เป็นการง่วง <c oughs> ตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเรามีความรู้สึกตัวที่ชัดกับกายที่เคลื่อนไหวเมื่อเรารู้สึกตัวกายทำบ่อยๆทำเรื่อยๆนะเมื่อเรามีเวลาว่างเนี่ยนะไม่มีการงานอะไรไม่มีกิจอะไรจาเป็นนะเราก็ พยายามทุ่มเวลาให้กับเรื่องพวกนี้เพราะว่าเรามาอยู่ที่ป่าสุกโตเนี่ยถือว่าเป็นเป็นแหล่งหรือเป็นสถานที่นะที่เอื้อมหนวยในการที่เราจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็สังเกตว่าการให้โอกาสการใช้ชีวิตของที่นี่เนี่ยให้เรามีอิสระเสรนะีในการที่จะทำเรื่องพวกนี้นะถ้าเราปล่อยเวลาทิ้งไปโดยการหาความสบาย นะพอมันเบื่อมันเซ็งก็หลับนอนเอบ้างไปทำนู่นทำนี่บ้างนะโดยที่ไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องของการเจริญสติเนี่ยก็น่าเสียดายนะเวลาที่เรามาอยู่ที่นี่ทีนี้เมื่อเร า, เาใช้เวลาว่างนะจริงๆก็เป็นเวลาที่เราจัดสรรนั่น แ, แหละนะที่จะเจริญสติกับกายที่เคลื่อนไหวอยู่เป็นประจำบ่อยบ่อยเนี่ยนะมันก็จะเข้าไป รู้สึกนะกับอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายนะไม่ว่าจะเป็นความปวดความเมื่อยนะหรือแม้แต่เป็นความร้อนความเย็นนะที่มันเกิดขึ้นภายในตัวเรานะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะเราก็จะเข้าไปเห็นมันแรกๆเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยเก่งยังไม่ค่อยชัดเท่าไหรนะ่เราก็อาจจะไปจมหรืออาจจะไปกระวนกระวายกับความเจ็บความปวดความเมื่อย หรือนะบางทีก็รู้สึกไม่พอใจนะกับอาการเหล่านี้บางทีร้อนอ้าวม า, มากก็รู้สึกไม่สบายตัวนะก็รู้สึกอาจจะไม่ค่อยพอใจนะแต่พออากาศเย็นสบายก็รู้สึกสบายอันนี้ก็คือเราเข้าไปอยู่ในอาการต่างต่างเหล่านั้นนะโดยที่เราไม่รู้สึกตัวนะก็เป็นความเคยชินเพราะฉะนั้นถ้าเรามาทาความรู้สึกตัว บ, บ่อยๆเนี่ยนะเราก็จะรู้จักอาการเหล่านี้แล้วก็จะไม่เข้าไปอยู่ใน าการเหตุการณ์อาการต่างๆที่เกิดขึ้นความพอใจความไม่พอใจมันก็จะไม่เกิดขึ้นเราก็จะมีใจเป็นปกตินะทีเ่เราสวดกันไปนะในบทสัมมาสตนะิองค์ที่7จ็มองค์ที่7เนี่ยก็คื อ, อมีสตนะิถอนความพอใจและความไม่พอใจออกไดนะ้การจะถอนได้นี่ก็คือการมีความรู้สึกตัวที่ชัดนั่นเอง นะแล้วจริงๆอาการต่างๆเราเนี้ยมันไม่คงที่มันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแนะปลงแปรปรวนไปได้นะตรงนี้เราก็จะได้เรียนรู้ความจริงนะที่เรียกว่ากฎของไตรลักษณ์นะที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยนะถ้าเราสังเกตดูดีๆทีนี้เนมะื่อเราเร า, เรารู้สึกแร้ว เ, เ, เห็นชัดกับกายแล้วรวมทั้งอาการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเนีย นะมันก็จะไปสังเกตกายที่ละเอียดลงไปอาจจะเป็นลมหายใจก็ดีจะเป็นกระพริบตาก็ดีคือ น, น้ําลายก็ดีนะสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ก่อนเราอาจจะไม่เคยได้สนใจเพราะว่าเราไปสนใจสิ่งข้างนอกมากกว่าหรือไปสนใจสิ่งแวดล้อมข้างนอกมากกว่าอันนี้เราก็จะเริ่มกลับเข้ามารู้สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแม้แต่การหิวการกระหาย นาะที่เกิดขึ้นนะมันก็จะรู้ทันและมันก็จะไม่กนงวายมันก็รู้ว่าควรจะบำบัดควรจะบรรเทาควรจะแก้ไข ย, ยังไรนะ่าเป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้เจริญสติหรือทำความรู้สึกตัวเมืนะ่อทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆบ่อยๆมันจะเกิดความชำนานนาะมันก็จะเข้าไปรู้สิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึก นะความรู้สึกหรือเวทนาเวทนานะความรู้สึกนะั้นมันก็จะมีอยู่3ลักษณะใหญ่ๆถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะบางอย่างก็สบายสบายเป็นความสุขนะสบายพออกพอใจนะบางอย่างก็รู้สึกว่าอึดอัดนะเป็นความทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราไปสัมผัสหรือไปกระทบนะกับสิ่งต่างๆ่านะอย่างเช่น เวลาเราฉันอาหารนะเราได้รส อ, อาหารที่ถูกใจนะก็คือการเกิดกระทบสัมผัสระหว่างาลิ้นนะกับรสของอาหารนะจริงจริงมันก็เกิดการกระทบขึ้นมานะก็เกิดการอาพอใจไม่พอใจขึ้นมาถ้าเป็นรสที่อร่อยเราก็รู้สึกพอใจขึ้นมานะมันก็จดจำได้ว่าอ๋อนี่มันเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยหรืออร่อยถ้าไปเจอที่มันไม่อร่อยขึ้นมาก็อาจจะไม่พอใจ เพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราเราใช้ชีวิตประจำวันเราก็สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้นะด้วยความรู้สึกตัวนี้เองหรือบางครั้งเนี่ยนะถ้าเรารู้เท่าทันนะเราก็จะมีความรู้สึกเป็นปกติเฉยๆนะนี่เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะก็อาจจะเกิดขึ้นไดนะ้เป็นสิ่งที่เกิดเกิดขึ้นจริงๆสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่เสมอนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มาดูเท่านั้นเอง นะนี่ที่เรียกว่าเป็นเปทนานุปัสนาสติปทานทําไปบ่อยๆทาไปเรื่อยๆนะด้วยความรู้สึกตัวที่กายที่เคลื่อนไหวนี้แหละนะมันก็จะทำให้เราไปรู้เท่าทันความคิดแนะจริงๆความคิดมันก็มีอยู่ตลอดเวลานะนะบางครั้งมันก็มาบางครั้งมันก็มีแรงบ้างเบาบ้างนะแต่ก่อนเราไม่เคยได้สังเกตคิดดีคิดไม่ดีคิด เรื่องนั้นคิดเรื่องนี้สารพัดนาที่จะเกิดความคิดแล้วก็ยังมีอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนะอย่างเช่นความความอยากนะความโกรธนะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นเป็นถ้าว่าไปมันมันเป็นสิ่งไม่มีตัวตนเป็นเหมือนพลังงานอย่างหนึ่งนะอย่างความโกรธเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะร้อนบูบขึ้นมาเลยถ้าเรามีความรู้สึกตัวดีๆ แต่ก่อนเราความรู้สึกตัวเราไม่ชัดนี่บางทีมันก็เข้ามาครอบงำใจเรานะเราก็ทําไปตามความโกรธหรือเกิดความอยากขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็จะรู้สึกว่าไม่ปกติแล้วนะแต่ก่อนเราไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นเรื่องพวกนี้ถ้าเราทําความรู้สึกตัวนะจากพื้นฐานความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยตัวสติมันจะถูกพัฒนาให้ฉับไวขึ้นนะมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการที่จะรู้ เท่าทันความคิดนะหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะเนื่องจากความคิดนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ความคิดไม่มีมากมายสาราพัดนะทั้งความคิดดีความคิดไม่ดีนะความคิดในเรื่องต่างๆจินตนาการไปซึ่งความคิดที่นี้เนี่ยหมายถึงความคิดที่เราไม่รู้ตัวนะแต่ถ้าเราทําการกำงานเป็นความคิดที่ มีเจตานาใช้ปัญญานะก็เป็นความคิดที่มันเกิดแล้วมันก็มีจบได้นะแต่ถ้าเป็นความคิดที่ไม่ตั้งใจมันทีไม่จบไม่สิน้นนะมันคิดไปเรื่อยเปือ่อยนะอย่างหลวงพ่อคำเขียนท่านชอบใช้คำว่าเอา่อเราคล้ายๆเป็นความคิดที่ ส, สับสนนะก็คือคิดไม่จบไม่สิน้นนะและตัวนี้มันจะพายเราทุกๆสุขนะเกิดขึ้นอันะนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรา มีความรู้สึกตัวชัดเจนขึ้นและเมื่อมีความรู้สึกตัวในในส่วนนี้เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นจินตานุปัสนาสติปทานนะเป็นส่วนที่3นะซึ่งอันนี้การการแบ่งเป็น123นั้นเป็นเป็นเรื่องของการพูดนะจริงๆเวลาทำจริงจริงเนี่ยมันไม่ได้แบ่งชัดเจนอย่างนี้หรอกนะเพราะว่ามันจะออกมาความคิดมันก็มีของมันเดี๋ยวก็มีความรู้สึก ตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมา น, นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเราเข้าใจทั้งในเรื่องของกายเรื่องของเวทนาเรื่องของจิตแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในใจของเราะจะเป็นนิวรธรรมการง่วงเหงานอนการฟุ้งซ่านอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่เราได้เรียนรู้แล้วก็จะต้องเอาความรู้สึกเนี่ยเป็นตัวผ่า น, นหรือแม้แต่การที่ เราเรียนรู้เรื่องของอายตนะนะก็คือตาเห็นรูปกระทบแล้วมีความรู้สึกพอใจไม่พอใจนะืเอเป็นปกตินะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่เราจะเรียนรู้ได้นะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นธรร ม, มะที่แสดงให้เราดูนะธรร ม, มะนี่มีมากมายทั้งส่วนที่เป็นปรากฏการณ์เป็นอาการภายในแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ภายนอกนะที่มากระทบกับ อยายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราแล้วนะทำให้เกิดความรู้สึกอย่างไรพอใจไม่พอใจเรารู้เท่าทันไหมนะนี่เป็นสิ่งที่มันแสดงให้เราดูอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นด้วยความรู้สึกตัวเพียงเครื่องมือนี้อันเดียวเนี่ยนะทำให้เราสามารถที่จะเรียนรู้ความจริงของชีวิตความจริงของกายของใจได้ทำให้เราเรู้ว่า กายเนี่ยความจริงของมันก็เป็นอย่างนี้นะมันมีความแปรปรวนมันไม่สามารถจะยึดถือได้นะมันทนอยู่ไม่ได้นะที่เรียกว่าอันิีจังทุกขังอนัตตานะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้เท่าทันหรือแม้แต่ใจนะที่มันแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆนะเป็นสิ่งที่ก็ไม่พ้นนะไปจากเอ่อสิ่งที่เราเรียกว่าความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ เือความไม่ใช่ตัวตนนะสิ่งเหล่านี้มันแสดงให้เรายูอยู่ตลอดเวลาถ้าเรารู้เรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดการปล่อยวางโดยโดยอัตโนมัตนะิซึ่งก็เป็นสภาพเดิมแท้ของของชีวิตนั่นเองนั่นะก็คือความเป็นปกตนะิสิ่งเหล่านี้เนี่ยโดยอาศัยความรู้สึกตัวก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะ การที่เรามีความเพียรพยายามลงไปการที่เราสอดส่องในปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นองธรรมที่มันเกิดขึ้นในเวลานั้นเพราะนั้นบางทีบางคนอาจจะบอกเอ๊ฝึกแบบนี้ใช้แค่สติอย่างเดียวเหรอถ้าพูดถึงโพชฌงเจ็ดมันมีต้องเจ็ดตัวไม่ใช่เหรอจริงๆเนี่ยองค์อื่นๆเนี่ยมันแทรกอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะก็เลยไม่ได้มาพูดกันก็จะเน้นตรงที่ ให้เรารู้สึกตัวแล้วก็มีความเพียรพยายามแล้วก็พยายามสอดส่องดูปฏิกิริยาต่างๆเกิดขึ้นจะเป็นความสุขความทุกข์นะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็อย่าไปจมอยู่ในอาการที่มันเกิดขึ้นนะให้เรากลับมาที่ความรู้สึกตัวเพราะความรู้สึกตัวเนี่ยจะเป็นเป็นส่วนที่จะทำให้เราไม่ลุ่มหลงหรือว่าจมอยู่ไปไปกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นใจเราก็จะเป็นปกติ น, นี่เป็นสิ่งที่ได้ได้เรียนรู้ที่ตัวกระภุ่มนิธมาได้เรียนรู้จากการฟังครูบาอาจารย์แล้วก็ลองไปประพฤติปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตามนะจากการฝึกในรูปแบบเนี่ยเราก็จะต้องหาจริงๆไม่ต้องหาโอกาสเราก็จะต้องอาศัยมีความรู้สึกตัวในชีวิตประจาวันในกิจวัตรต่างๆ ที่เรียกว่านอกรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นการทำการงานการหลับการนอนการอาบน้าการทานอาหารนะตรงนี้นี่ก็่วยโอกาสได้แล้วนอะย่างพระก็อย่างเช่นตอนนึ่งหม่มนะจีวรสังคติการไปบินาบาตเนี่ยตรงนี้เราก็เรียนรู้ได้โดนะยเฉพาะตอนที่กับผมนิยตมาได้มาบท ใ, ใหม่เนี่ยตอนห่มผ้าเนี่ย เห็นเลยว่าการห่มผ้าเนี่ยเป็นการฝึกสติได้อย่างหนึง่งจะทํายังไงที่จะห่มให้มันเรียบร้อยไม่ลุงหลังนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะฝึกได้เออทีนี้สิ่งที่เราฝึกไปแล้วเนี่ยเราจะดูมันก้าวหน้ามันพัฒนาไปอย่างไรเนี่ยให้เราสังเกตดูดีๆว่าเมื่อเราไปใช้ชีวิตประจําวันในกิจวัตรประจําวันเนี่ยเรารู้เท่าทัน อารมณ์ความคิดไหมความโกรธความโล้ความหลงความอิจฉาลิษยามันยังแสดงตัวอยู่ไหมมันยังมามีอานาจอยู่เหนือเราไหมหรือเมื่อเราไปใช้ชีวิตแล้วเรายังพอใจไม่พอใจอยู่เนี่ยเรารู้ทันมันไหมนะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จะบอกเป็นสัญญาณได้ว่าเออจริงๆนะเวลาเราเดินจงกรมเราก็ไม่มีอะไรเราก็มีความรู้สึกดีนะสติสัมปชัญญะเราดีนะแต่พอไป ใช้ชีวิตประจำวันอา้าวเจอบางอย่างไม่ถูกใจขึ้นมาอ้าวแล้วนะบางอย่างก็เออดีเหมือนกันมีความสุขนะบางอย่างบางทีโอ้อากาศนี่เย็นสบายดีก็มีความสุขนะก็พอไปเจออากาศแล้วโอ้ไม่สุขอีกแล้วไม่พอใจแล้วก็คือก็คือเผลอไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะใช้เป็นเป็นเครื่องมือเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าเราฝึกไปแล้วเนี่ย เราไปใช้ได้จริงๆริงไหมนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยให้เราสังเกตตัวกระผมนิทมาเองก็ก็สังเกตตรงนี้นะก็ยังเห็นว่าตัวเองเนี่ยก็ยังยังยังต้องฝึกอยู่นะยังยังต้องเรียนรู้ทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบนะโดยเฉพาะในรูปแบบนี้ก็ช่วยทําให้เรามีความมั่นคงมั่นใจแต่พอเราออกไปนอกรูปแบบเนี่ยเราก็จะไม่ประมาทนะมีชีวิตด้วย ด้วยความไม่ประมาทบางทีก็หลงเผลอไปบ้างนะบางทีก็ผิดพลาดไปบ้างก็รีบกลับมารู้สึกตัวนะบางทีเผลอไปกลับมารู้สึกตัวอย่าไปโทษตัวเองอย่าไปประนามตัวเองว่าแมทําไมนะเราฝึกมาอย่างดีแล้วมันทําไมยังเป็นอย่างนี้อยู่อันนี้คือไปลงโทษตัวเองก็ต้องให้กําลังใจตัวเองอ่ะไม่เป็นไรเราเริ่มต้นใหม่การเจริญสติเนี่ยถ้ามันเผลอไปแล้วมันหลงไปแล้วมันผิดไปแล้วก็ช่างมัน เริ่มต้นใหมนะ่ตรงนี้จะทำให้เรามีกำลังใจนะในการที่จะที่จะฝึกปฏิบัตนะิก็ทำไปเรื่อยๆนะตรงนี้ก็เท่าที่ได้ยินฟังจากหลวงพ่อกอ็มีความมั่นใจนะว่าถ้าเราทำไปบ่อยๆจนสติมันเป็นไปโดยอัตโนมัตินะมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของเราเป็นนิสัยของเราเนี่ยนะมันก็จะไม่เผลอ นะมันก็จะรู้เท่าทันได้บ่อยๆนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากย้ายพวกเราลอ ง, ลองมาพิสูจน์ลงมาทำนะเพราะนั้นคนที่ยังยังลังเลอยู่ว่าจะเอาดีไม่ดีจะทำหรือไม่ทำจะทำา้างน้อยแค่ไหนไม่ต้องลังเลเลยลนงะมือทำเลยเราอยู่ที่นี่เนี่ยทำเรื่องนี้เรื่องเดียวเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะเป็นงานชิ้นเอกเลยที่เราจะทำให้กับ ชีวิตของเราหรือของตัวเราเองที่เรามาอยู่วัดป่าสุขโตแห่งนี้ส่วนกิจกรรมอย่างอื่นๆก็ถือว่าเป็นรองไปนะอันนั้นก็เป็นแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ช่วยงานช่วยการส่วนรวมเลยนะ ก, ก็ก็คงต้องทำอยู่แต่ให้ถือว่างานเจริญสติงานกรรมฐานเนี่ยเป็นงานชิ้นเอกนะที่เราจะทำให้กับตัวเราเองไม่ว่าเราจะมาอยู่ที่นี่กี่วันก็ตามนะจะได้มากได้น้อยก็ ก็ไม่เป็นไรนะคืออยาให้เสียโอกาสที่มาอยู่วัดป่าสุกโตนะที่ที่เป็นสถานที่ที่อํานวยนะให้กับเราได้ฝึกเรื่องพวกนี้ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้นะจะหาสถานที่อย่างนี้เนี่ยคงจะไม่ง่ายนักนะเท่าที่ได้ได้มองเห็นอยู่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นการเล่าสู่กันฟัง นะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณนะ์อาจจะมีข้อบกพร่องบ้างนะก็หวังว่าครูบาอาจารย์จะได้ชี้แนะนะข้อบกพร่องเหล่านั้นนะเพื่อที่จะได้พัฒนาตัวเองต่อไปก็ยังถือว่าเป็นผู้ที่ยังเดินทางอยู่นะยังไม่ถึงที่สุดนะแต่ก็เห็นแล้วละทางสุดท้ายมันเป็นยังไงพอมองเห็นอยูนะ่ที่มันจะเป็นไปยังไงก็มีความตั้งใจนะมีความ เปียนพยายามที่จะทำไปเรื่อยๆนะก็ผิดบ้างถูกบ้างก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะนี่ก็เป็นสิ่งที่นะเร่าสู่กันฟังแล้วก็อยากจะชักชวนนะพวกเราทุกคนให้มาทำสิ่งเหล่านีนะ้คิดว่าจะเป็นประโยชนเ์เป็นประโยชน์ที่สูงสุดนะเรียกว่าเป็นประโยชน์สูงสุดนะที่ท ที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่มีเรื่องอะไรที่จะพูดอีกแล้วนะก็ทายที่สุดนี้นะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะที่ได้เสียสละเวลานะมาใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่แล้วก็มีความเพียรพยายามในการประพฤติปฏิบัตินะเพื่อให้เข้าใจความจริงของชีวิตนะเข้าสู่ความเป็นปกติ ที่มีอยู่แล้วในทุกๆคนในชีวิตนี้โดยทั่วหน้าทุกท่านเ ท, นทนอิญเจริญพร